เรารู้สึกเองนะว่ามันเหมือนเป็นมารนะเราก็ไม่รู้อ่ะก็ใช้วิชามารมาแล้วก็ใช้วิชาพระไปสองวันมีอะไรก็ปิดก็รู้สึกว่าเออเขาตีกับเพราะเขาบอกว่าอยากกล่าว้าอาจารย์เขาคงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภรรยาเปลี่ยนไปจาก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 ตรงนี้ที่ที่ที่ที่ที่ถามพระอาจารย์ว่าไ hey, ออารมณ์นี้มันจะมาอีกไหมมันคืออะไรนี่แหละแล้วก็สองครั้งเสร็จแล้วช่วงบา่ายสามโมงครึ่งก็มาอีกกําลังกวนอยู่เลยพระอาจารย์เดินมาบอกนิ่งหรื อ, อยังไม่สนใจพระอาจารย์กําลังค่ะกําลัง <c oughs> แล้วก็กวนอยู่อย่างนั้นพาพระอาจารย์คงสังเกตแต่พระอาจารย์ก็รีบเดินเลย <c oughs> แล้วมันก็มันก็มันก็อยู่อย่างนั้นไปจนถึงห้าโมงครึ่ง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 เพราะว่ามันรับไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็รู้สึกว่าอยู่โรงเรียนนี้ลรา ค, รครุ้มมากเลยค่ะเสียค่าเทอมลูกอย่างเดียวแถมแม่ด้วยเพราะว่าแม่ได้เรียนรู้หลายอย่างได้ใช้สถานที่ได้อะไรห ล, หลายอย่างที่นี่แต่แต่ว่าเมื่อเช้ชาได้คุยกับคุณหมอเนี่ยก็มันมันมีความรู้สึกอันหนึ่งว่า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 มาเห็นที่ปรึกษาแล้วตอนนี้เนะความจริงผู้เป็นพ่อบ้านนั่นนะต้องขอบคุณเขามากๆเลใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเ<อ>ขาคุณเขาเพราะเขาเป็นฟูสอบอารมณ์ให้นะ <หา S 1> สอบเรศของจริงก็จะมาด้วยนะใช่ใช่สอบของจริงด้วยเนี่ยโยงต้องไปกลา่าวเขาในวันหลังนะเพราะว่าในคนที่สอบอารมณ์ให้ตัวของเราดีที่สุดคือคนที่เราผูกพันนั่นแหละแล้วมันจะสอบได้แหลมคมได้ลึกทีเดียวนะ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 ทำกินเองี๋ยว่าเพราะว่าเป็นคนสมมุข้าไม่เป็นทำแล้วก็มัดสมมดกำลังใจว่าไม่มีคนกินแล้วแต่ว่าประมาณอีกปลายเดือนเนี้ยค่ะจะไปเข้าคอร์สหมอเขียว เ, เพราะว่าคุณแม่ไม่สบายอยัง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 ขอบคุณนะมากำลังเห็นหนิวิตใหม่ของโรงเรียนลูกอรุนนะจะต้องมีลูกกรุณสองนะอาจารย์ประภาพัฒนสำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องมาเข้าโรงเรียนด้วยบอลเขาต้องให้ไปสอนต้องให้ไปสอนใช่คือคือครูที่คืไอไปที่โรงเรียนแต่าต้อ ง, งอนก็ไปสอนไม่เกี่ยวค่าโรงเรียนคืออย่างนี้นะ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 เมื่อเอาเด็กมาแล้วก็ผู้ปกครองมาเข้าาำรับผู้ปกครองคนไหนที่มาเข้าโรงเรียนนี้จะไม่เสียค่าเทอมโอ้นั่นคือรางวัล <c oughs> แต่ว่าจบหลักสูตรนี้แล้วจะต้องเป็นวิทยากรของอาสมศิลต่อไปอนาคตอาแล้วครูที่อาสมศิลปนี่จะออกไปเป็นครูวิถีพุทธทั่วประเทศเลยโอ้โหโครงการใหญ่มากเลยอาจารย์ประพัรับทราบไว้ด้วย <c oughs>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 มันน่าจะเป็นไปได้นะ